มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอน มองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุก์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวัง หรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เห็นจะโทษใครที่ไหนมา มองถูกท่าทุกก็คลายสลายเองท่านพุทธทาสพิคุถ้าหากว่าในขณะดปัจจุบันนี้เรารู้จักมองมองในปัจจุบัน มองอนาคตมองอดีตถ้ามองด้วยสติจะเป็นการมองที่มีคุณภาพมากคุณภาพทั้งด้านสมมุติแล้วก็ของจริงอย่างนับต่อไปสักประมาณสามวันเรามองโดยสมมุติเราจะรู้ว่าจะมีวันวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันอะไรท่านผู้ฟังทราบไหมถ้าไม่ทราบก็เชยนะ ก็คือวันวิสาขาบูชาไงเป็นวันสําคัญวันหนึ่งแหละก็คือเป็นวันประสูตตัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันทัปปลินิพานขององมสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในฐานะที่พวกเราก็เป็นพุทธบริษัทเรากต้องมีการบูชากันในวันนั้นตัวว่าเป็นวันพระใหญ่เลยก็ว่าได้เราอาจจะบูชาโดยการอาบิสบูชา หรือปฏบิบัติบูชาก็ได้อามิสบูชาก็คือบูชาโดยถวายทานถวายเครื่องหอมดอกไม้ส่วนปฏิบัติบูบชาก็คือไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือการไปทํากรรมฐานไปเจริญวิปัสสนาไปทําสมาธิไปถือศีลคําว่าไปเนี่ยที่บ้านก็ได้นะมันจะเป็นต้องทีวัด ที่บ้านเราก็ทำได้แต่วันนั้นสน่วนมากก็จะไปรวมมาที่วัดไปมิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของแล้วก็ปฏิบัติบูชาโดยการทำสมาธิถือศีลเจริญภาวนาเจริญสติแต่ว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นมากเลยก็คือการปฏิบัติบูชาท่านสันเสริมในการปฏิบัติบูชามากเราจะไปเวียนเทียน เราก็ไปได้สมมติจะเป็นวันที่คนชอบไปเวียนเทียนกันในตอนค่ำๆเราสามารถที่จะบูชาได้ตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราหลับไปเราสามารถปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากง่ายๆเพียงแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะให้เรารู้สึกตัวทันทีเลยรู้สึกตัวใ น, นการปฏิบัติบูชานะ เป็นการเจริญสติคนเราสมมติว่เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมักจะคิดมักจะเผลอไปอความคิดถูกความคิดมันนําไปคิดเรื่องอดีตวันวานที่ผ่านมามีอะไรค้างคาใจก็เก็บเอามาคิดครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ใ น, ในความคิดที่มันผ่านมาแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราประทับใจอาจจะเป็นประทับในใจในทางที่เราไม่ชอบก็ได้หรือประทับใจสิงที่เราชอบใจก็เก็บเอามาคิด แต่ที่จะเจริญสติเป็นการเจริญความคิดหรือเก็บเอาความฝันซึ่งฝันมาสดๆร้อนๆมื่อคืนที่ผ่านมาโอเก็บเอามาครุ่นคิดมันจะเป็นจริงไหมมันจะบอกเหตุให้เราถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยไปเชื่อความฝันคิดเรื่องความฝันมันเสียเวลาเนี่ยขาดสติแหละหรือบางทีเราคุ้นคิดว่าเนี่ยเราจะไปทําอะไรบ้างวันนี้อุปสรรคอะไรที่เราจะได้พบสิ่งไหนที่เราไม่ชอบใ น, นที่เราชอบแล้วก็คิดถึงอนาคต ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นวางแผนงานต่างๆแต่เราก็คิดได้นะจะคิดอดีตก็ได้อนาคตก็ได้หรือเก็บเอาความฝันมาคิดก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วก็มันจะปลอดภัยมันจะไม่หลงไปอดีตอนาคตกับความฝันลมๆแรงๆแค่เรามีความรู้สึกตัวอ๋อนี่เราคิดแล้วจิตมันคิดแล้วคิดแล้วเนี่ยมีสติรู้ทันทีเลยประทับลงไปเลยอันเนี้ยเนื้อชั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเนื้อชั้น เดชันกับความคิดทั้งหลายสำรวจดูที่ว่าอ๋อเรานอนในท่าไหนรู้สึกตัวเรานอนในท่านี้ท่านอนงายอ๋อรู้สึกตัวอย่าปล่อยให้ความคิดมันนาพาไปก่อนให้มีสติมาก่อนแต่ถ้าสติมาไม่ทันความคิดรู้ตามหลังมันก็ยังทันอยู่ก็เรียกทันควันมันคิดปั๊บอ๋อมันคิดไปแล้วเรารู้สึกว่าจิตมันคิดไปแล้วมันก็ได้สติได้ความรู้สึกตัวแหละอาจจะนอนพลิกมือเล่นเล่นก่อนพลิกมือง้าย รู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกตัวพลิกมืองาให้รู้สึกตัวนอนพลิกมือเล่นๆส ก, ก่อนก็ได้บนที่นอนอย่าเพิ่งรีบไปไหนจะรีบไปไหนชีวิตของเรารู้จักควบคุมควบคุมกายควบคุมจิต ด, ด้วยความรู้สึกตัวอาจจะมีคำบริกรรมมากก็ได้แต่ว่าคำบริกรรมนี่นี่ไม่ใช่ว่าคิดเอานะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดใจให้ดีนะ เรามารู้สึกตัวเป็นคําบริกรรมเลยหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปสัมผัสกับการที่มันเคลื่อนไหวของมือพลิกมือเอาความรู้สึกเข้าไปสัมผัสเลยว่าอ๋อนี่มันอาการไหวๆตึงๆเคลื่อนๆหยุดๆเอาจิตเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวจริงๆไม่ใช่ใช้คําบริกรรมมารู้สึกตัวรู้สึกตัวซึ่งนั่นก็เป็นความคิดหมดบุ่นในความคิดเอาความรู้สึกตัวไปเป็นคําบริกรรมสัมผัสลงไปเลย ลัดกข้ไปสู่ความรู้สึกตัวเลยคําบริกรรมทั้งหลายก็เพื่อตรงเนี้จะพุดโทยุบหนอพองหนอนับหนึ่งสองสามก็เพื่อเ น, นี้ยบริการเพื่อให้รู้สึกตัวแต่เรานี่ยกระดับสักหน่อยข้ามไปสู่ความรู้สึกตัวเลยข้ามคําบริกรรมไปเลยนะรู้สึกตัวทันทีเลยเมื่อเราตั้งสติได้แล้วมีความรู้สึกตัวแล้วเราก็ค่อยๆลุกอย่างมีสติจะพับประหม ก็รู้สึกตัวพระพุทธองควางไว้ก็รู้สึกตัวอาจจะมีการบิดขี้เกียจบ้างบิดขี้เกียจได้นะไม่ใช่ห้ามแต่ว่าเรารู้สึกตัวด้วยบิดซ้ายบิดขวารู้สึกตัวมารู้สึกสบายผ่อนคลายก็รู้สึกตัววัีอาจจะมีการอ้าปากหาวก็หาวได้ไม่ผิดแต่เราก็รู้สึกตัวไปด้วยได้สติตลอดเวลาเลยเราจะฝึกบริหารออกกำลังกายบนที่นอนบ้างก็ได้ แต่รู้สึกตัวด้วยกับการเคลื่อนไหวของกายยกมายกมือยกขาบิดหน้าไปมาให้รู้สึกตัวจะเดินไปห้องน้ำก็รู้สึกตัวจะแปลงฟันล้างหน้าขับถ่ายอย่าลืมความรู้สึกตัวของเราจะดื่มน้ำก็รู้สึกตัวการใช้ชีวิตในเบื้องต้นของการตื่นมาเนี่ยให้เรามีความรู้สึกตัวขยันรู้สึกตัวให้มากๆ ในท่ามกลางของการทานข้าวการทํางานการทำหน้ารรรที่ของเราอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวเสมอเสมอบางทีอาจจะเกิดความคิดนึกจิตมันคิดซึ่งเราห้ามไม่ได้มันต้องคิดแต่เราก็ไม่ว่าอะไรคิดก็คิดแต่เรารู้สึกตัวในความคิดนั้นด้วยคิดก็รู้สึกตัวมันเกิดความสุขความพอใจเราก็รู้สึกตัวบางทีมันเกิดความไม่พอใจหงุดหงิด กระทบกับอารมณ์สีบางอย่างนี่เราไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่ชอบกันแต่เราก็รู้สึกตัวในความไม่ชอบใจนั้นด้วยความรู้สึกตัวหลับจะช่วยหาตัดกําลังของกิเลสต่างๆให้มันลดน้อยลงไปบางทีมันหมดไม่เหลือเลยนะความรู้สึกตัวนี่จะเด่นบางทีมันหลงลืมมันเผลอไปอะความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรนึกขึ้นได้ก็รู้สึกตัวทันทีอ้อนี่มันหลงไปแล้ว หลงไปตั้งนานเราเพิ่งรู้สึกตัวอันนี้ก็ยังใช้่นะให้รู้สึกตัวไว้ชีวิตถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเป็นความรู้สึกตัวต้องมีปัจจุบันถ้าเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ปัจจุบันความคิดเป็นเรื่องของอดีตอนาคตถ้าคิดปัจจุบันถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันก็ยังไม่ใช่มันคิดปั๊บอ๋อเนี่หลงไปละให้รู้สึกตัวทันทีถ้าเรามีความรู้สึกตัวเสมอ ในการใช้ชีวิตชีวิตจะไม่ผิดพลาดนะจะผิดน้อยที่สุดนะบางทีไม่ผิดเลยบางทีมันจะผิดอ้อมันรู้ตัวซะก่อนก็มีนะก่อนจะผิดเนี่ยอันนี้ก็มีมากการหลงลืมสติ<ม>การพลาดต่างๆเนี่ยเพราะขาดความรู้สึกตัวทั้งนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วชีวิตจะปลอดภัยมั่นใจได้ชีวิตจะเป็นระเบียบเรียบร้อยในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยิ่งเรา ทำให้ต่อเรื่องยิ่งดีใหญ่เลยตั้งแต่เช้าเนี่ยในตอนกลางวันให้มีปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาหลับคนเรามันต้องมีเวลาหลับเวลานอนเนี่ยในช่วงเย็นช่วงค่าเรารู้สึกตัวมาแล้วบางทีมันเผลอมันหลงไปก็ปล่อยไปตรงไหนที่เรารู้สึกตัวได้ก็เอาตรงนั้นแหละคว้าความรู้สึกตัวมาใหม่กระทั่งก่อนเราจะหลับสําคัญนะก่อนจะหลับจะนอนหลังจากที่เราทําภารากิจทั้งหลาย มากมายแล้วหลงลูมสติบ้างมีสติบ้างไม่มีความรู้สึกตัวบ้างลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรก่อนจะนอนนี่ ก, ก็สําคัญเป็นเวลาที่สําคัญมากเขาบอกว่าจิตก่อนจะหลับกับจิตก่อนจะตายเนี่ยมันคลา้คลายกันนะเพราะฉะนั้นสําคัญมากอีกตอนที่เรานอนเนี่ยแล้วมักจะเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาคลุ่นคิดคิดจนนอนไม่หลับทั้งคืนก็มีนะมันทําให้จิตใจเราไม่ได้พักผ่อนแม้ร่างกายอาจจะได้พักผ่อนก็ตาม แต่ถ้าใจยังครุ่นคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่ได้หลับถ้าจะคิดก็คิดให้จบซะ ก, ก่อนแล้วก็นอนถึงเวลานอนแล้วพอเล่าไละ แ, แค่นี้พอล้เดี๋ยวพวุนี้ค่อว่ากันใหม่อะไรนะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการนอนอย่าไปคิดอะไรคิดจบแล้วก็จบกันสําคัญนะอาจจะพลิกมือเล่นก็ได้พลิกมืออายรู้สึกพลิกมือความรู้สึกให้ความสําคัญกับการรู้สึกตัวซะ ก, ก่อน อย่าไปให้ความสำคัญกับความคิดเพราะถึงเวลานอนแล้วถ้าเราหลับไปกับความคิดเนี่ยมันก็อันตรายนะสมมุติว่าเราหลับแล้วมันไหลไปไม่กลับมาตื่นอีกเนี่ยอันตรายอาจจะไปเกิดพบชาติใดในตอนนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ถ้าเราหลับไปกับความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ปลอดภัยเราแน่ใจไหมว่าเราหลับไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาเรามั่นใจไหมบางทีมันไม่ตื่นนะเพราะนั้นอย่าประมาท ในช่วงก่อนจะหลับนี่แหละสำคัญมากจิตก่อนจะหลับให้มีความรู้สึกตัวตามไปด้วยอย่าไปกาะติดกับความคิดวางความคิดซะกลับอยู่ความสุขตัวนอนพลิกมือเล่นกันนะพลิกมือเล่นโอ้มันคิดแล้วคิดก็รู้ว่ามันคิดทิ้งไปกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวปลอดภัยบางทีอาจจะคิดอีกแล้วก็รู้อีกอ๋อนี่มันคิดนี่เรากลับอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้ามันไม่คิดเราก็าอยู่กับการเคลื่อนไหว ถ้ามันคิดเราก็รู้มันสําคัญมากอีกตอนก่อนจะหลับฝึกเอาไว้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวฝึกเอาไว้เสมอๆก่อนจะนอนเนี่ยแม้แต่ก่อนจะตายมันก็จะมีความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติเพราะเราฝึกไว้แล้วไม่ต้องเรียกหาความรู้สึกตัวในนาทีวิกฤตนั้นสติจะเข้าทําหน้าที่ทันทีเลยมันช่วยได้เพื่อให้เราพยายามเสริมสร้างความรู้สึกตัวตั้งแต่ลืมตาตื่น จนต้องหลับตาไปเบื้องต้นก็ให้รู้สึกตัวในถ้ากลางก็ให้รู้สึกตัวจนตั้งวาระสุดท้ายการเยี่จะหลับจะนอนก็ให้รู้สึกตัวมีสามคำตานั้นคือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาได้ทั้งวันบางทีเราอาจจะไปเวียนเทียนถ้าเราไปเวียนเทียนเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเหมือนกันแต่ถ้าเวียนเทียนแบบจิตใจหลงลืมสติเผลอกิดฟุ้งซ่านอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติบูชาถ้าเราไปเวียนเทียน แล้วก็ไปเวียนเทียนแบบรู้สึกตัวด้วยจึงจะเป็นการปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งวันเนี่ยอย่าลืมสามคำรู้สึกตัวพระคุทธองค์ทรงสอนธรรมะเอาไว้มากมายแ0 0 0มื่นสี่พันพัทธมรรค์มากมายเลแต่สรุปลงแล้วก็คือมีพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกพระอภิธรรมปิดกพระวินัยปิดกบันทึกเรื่องศีลสิกขาคือศึกษาเรื่องศีลวินันย ส่วนพระสุตันตปิฎกนั้นคือศึกษาเรื่องจิตจิตตสิกขาส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้นศึกษาเรื่องปัญญาปัญญาสิกขาอามคำสรุปลงที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการอยู่อย่างรู้สึกตัวสามความรู้สึกตัวเนี่ยสรุปตัวปฏิบัติทั้งหมดเลยวิธีการปฏิบัติทำแบบไหนก็ตามจะมารวมลงที่ความรู้สึกตัวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ย พระไต 8, 000, 000, รปิฎกแปดหมื่พธ ร, รมขันธ์กระเทือนเลยนะกระเทือนเรที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติบูชาจําไม่ได้สามคำเนี่ยก็ ร, รู้สึกตัวเข้าถึงตัวนี้เข้าถึงในการปฏิบัติให้สิ่งที่เรานําเอาไปปฏิบัติบูชาก็คือรู้สึกตัวสามคำทาไม่ได้สําคัญนะสามคำบรรลุธรรมคือรู้สึกตัว